เลื่อมไปหัวไปล้วต้องดูเอมันชัดหาวาดูคนนั้นไม่เห็นต้องดูข้าดูหนอดดูตาดูยาทั้งหมดมันจะต้องเป็นไตใหญ่เนี้ย น, นี่หมาจึงดูรูปนอ่อถ้าดูรูปนายก็คนเข้าไปชึบเข้าไปว่าสองขางลายตาสองยิชาทั่วโลกน เราพูดถึงคนอื่นตัวเราเองตรงนี้กันมือเรามันสวยมันงามที่ว่าไหลออกจากใยนี้จนขึ่หน้าดูน้าชมจน้นหน้าสุขน้าชอบจนขึ้หน้าละนายินดีไหลออกมาทาวานไปเพราะโศกเที่ไนั้นพอบนที่ฝ่าพยังมีที่ไมว่าความข้งที่ใดไหลออกมาจาก มุนย์จากตัวบุคคลเกินของตัวตกทงนั้นพระอะไรจึิงเป็นอย่างนเพราะต้นของตัะโกเสือผ้าที่เรานุ่อเราผ่มกระบอกทีวันที่เราผ้าสวยกันมีการซักก็ยู่ใบ่อถ้าหากเราเน็บเอาไว้เราู่เราผิของนั้นจะยังมีาสดสวยวัดนที่เรามาใช้กันในทีวันมาซักดูก่ร ว่าคนละอองหรือของตกตะกมันออกจากเนื้อจากตาไปติดมีกินเหนสาดเหม็นโขงกั น, นทิ้อะไับหนึ่งเกาะมันเป็นใหญ่หาอาจติดเจยๆงานงานก็ได้สกปะกบตัวกไปยิ่งไม่รักษามันไหลออกมาใหญ่หน้นาม่านหน้ามุกของหราอาไปตกไปนล่นไปที่ไมนที่นอนแล้วก็ตองเกลย นแค่เพรากรกปจะอยูนตาของเราบาทีเราตาดืนเข้าไปบ้างอาสายตาเราไม่าตาเราเห็นนะมันไม่นาดูทางนั้นไามันเป็นของสวยมันเป็นของงามอะไรคนคดพิจารณาดูคนอืนเขาลก็เหมนกันกันเราถ้าเขากินของกโปเข้าไปทุกวันทุกเวลาะฮะเราดื่มเขากรปอย่างน ภาพขันก็ตั้งอยู่ได้จะต้องแต่ขยายไปร่างกายจึงเป็นของสดสกจิตใจเนื่อที่จิตเมื่ที่จรณาของสดกกจิตใจจะต้องมีวันมีเวลามีวันมีเวลาโตโตมีวันมีเวลาจะเอนเหมือนกำจัดเราเอุ่นเอาปุ๋ยใส่ตืนนิฮของนั้นจะเป็นของสดสดตเพื่ขวายตัเมื่อใส่ลงไปมันเป็นอาหารของ กนเกแใหญ่สิ่นทุกวันที่เจริญเติบโออกผลอันในคนสูดที่นิจเจริญแอสุธาอสุทัยทาในตาของเราที่เจริญยอดทาเข้าไปเท่าไรจิตใจก็หญ่มีาสุขคาเจริญมีามเดือดนาทายกันนสิ่งทีสึกสข้องสนเกิดนั้นพระพุทธเจ้าท่นจึงสอนใส่ที่นิจเจริหาามค้ อย่าไปติดเอาไงเนงะี้ยเอนเอาไงหนะลงเอาไงไนอะ้ที่เจเนนะี่เห็นตามความเป็จริงทั้งนั้นเหลงต่อนเหมือนกันพดขึ้นแล้วมันก็ดับไปนท่ารมันจะตั้งอยู่ตลอดตัดตลอดกัญญายังแล้วอย่าไปห ล, ลงมันอ้ที่เจอนนะี่ยอทั่วในะห้ถึางไอ้ทอนี่ทั่วถนะึงอย่าองหลงเอาตามเหี่ยงทางหลอกลวงลวของขีง้หลวของันแฉ สมันมันก็ติดเกาะข้อก็หลงใหญ่ๆนะไม่มีวันมีเวลาที่จะไปถึงจุดไหนปลายทางได้เหมือนกันกับคนหลงทามรู้ว่าบ้านท่องจะมีสถานที่ใดคนหลงว่าเรารับรับความลำบากใจลำบากใจเพราะในมือที่อยู่ที่อาศัยที่จะกินจะนอนมันลําบากไมรู้ว่าจะไปปลูกตัดร้านอย่างไร ไปแล้วหยุดใจก็ปั่นป่วนเสียดล้อธรรมดาหลงเ็นอย่างนั้นคนคือหลงอยู่ในโลกก็เหมือนกันในมีบูคคนผู้ใดใจผู้หนึ่งจะมีความผุกหลงไปเท่าไรก็ยึดคุกไป้ถอยหนังในมีวันมีเวลาที่จะไปจิ้งจกมาปลายทางน่ะพระพุทธเจ้าขันมีเจ้าเหนือตาแนะนำาำสอนพวกเราอยากจะให้พวกเราเข้าใจรู้เรื่องของขั้น เพาะทเป็นของกรเดื่อนิเสดอย่างปูดมาที่นิพจารณาจุดใจณบันณเวลาที่จะเข้ามานาตัวของตัวจึงจิตใจจุดกว่าหม่จิตจิตใจจิตใจจงกว่าใหม่จิตใจจงมีคานสงบมีคานหย่นยนมีคานสบายมีคามเบาตอเรายื้มเนเจ้า คิดเจ้ากลงมากเท่าไรก็ยิ่งเป็นผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งเป็นผู้ลาบากหากคิดเป็นอะไรที่คิดที่ตาหาคิดแยสองตนคิดแย ค, คนแกไข่ เ, เหนือกวปัญญาขั้นให้ใจิตเจ้าเกิดขั้สว่างสวย ท, ท่านให้จิตใจเกิดความรู้ขั้นสาดเนชั่ววันชั่เวลา เป็น ข, อขอ้อนุ้มเป็นเสี่ยงยับยั้งเป็นำเป็นเนสี่ยงห้าจางเหยท่วามั่วต่างๆนี่แหละคํามความต่างสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเราทุกท่า น, นมีตาใจยาชาตษษษษษษษษิจันสร์ตัดเยิบัตดจงมันนมตตมันคิดมี ส, ษษสมติแต่จันทร์สติของตนมีปัญญาแมะสอนตนยาไปสุด ไปข่อในที่เหลวตปัญหาเอ า, าไวงเนี่ยไดยขาดสติขาดปัญยาถึงมันอยากทุกอยากูงอยากพูดอยากทำในส่วนนั้นก็ให้มีขันติที่ทมอดคนเอาไว้เพราะส่วนเหานั้นเป็นส่วนชั่วเป็นส่วนที่ไม่ดีเมื่อเรา แตะต้องไต่จับเข้าก็เหมือนกันกับจับไปถ้าหากเราไม่จับนันก็ไม่ไม่นันก็ไม่เขาเหมือนกันกับคนที่อยู่ในวัดหากไม่มีส่วนใดเป็นภารบหน้าที่ไรนาเหยียสวนไม่มีลูกเมยไม่มีความทุกยากลำบากกับไรนาก็ไม่มีทุกยากลำบากกับลูกกับเมียก็ไม่มี อยู่สะดวกอยู่สบายไม่นด้นมีการลำบากรับผิขชอในส่วนเหลนะ่านั้นยิ่งละได้เท่าไรก็ยิ่งเบายิงสบายไปเท่านั้นพวกที่เป็นพร <c oughs> ะเ น, นอยู่ในศาสนาหากมีปัญญาและสอนสนไม่ให้ทรงให้ชิดไม่ให้ชิ ด, ใ ห, ดให้ข้ขอไในโอสอยง เรืาวต่างๆตั้งโลกู่ตาาลามเขาจิตเขาก็สังเกเสเขาก็ต่างบอว่าว่าดูจากเขาเขาจึงกลาวเ่เขาจึงาบูชาหาดเหมือนเขาตาอย่างเขาลองไปไคิดตั้วไปรักไสมโภหรือไปกมีเมียกันข้าเขาจะว่าอย่างไ เขาจะยินดีเหว่ยงใส่นำอาหารมาให้นำท่าผ่อนผ่อนสบายนาบูชาปูบ้านช่องให้นะทุกเชียงแถวนี้กพบเขได้ว่าผู้อยู่ในสถานะเจ้าผู้ที่มีคุณค่าเจ้าู้ที่มีสประโยชน์เจ้พู้ที่มีคุณนักธรรมสูงกว่าคาราวาสเขาหากเราไปสีคาราวจะเป็นท้องหยุ่ท้องดี ก็เหมือนกันกับเราหลงเสือผีติดตามทางขั่วจิตในวัยยุคจุตไปสูดไปค้องแต่ที่นี่ที่เจรนาเรารรคสวยเสียงเอย่างนั้นใหญ่เสีนถ้าสนุกเพิดเพนสะดวกสบายใหญ่นั้นใหญ่เราทำทิศของเจ้าของเอง ผูกเจ็ของมัดเจของ่เจ็บของตาจะไปใส่ไรใต้ศีลธรรมะของพระพุทธเจ้าหน่อยบดเพราะเจ็บของือเจบของติดเจ้าของชิดเจ็บของทำลายตัวเองนักภาวนาทาที่สื่อารมาเนนจึงควรระวังทังวรรักษาให้เป็นผู้มีสติระวังจิตมีปัญญาแนะน ให้มีตามอดใหมีตามทนใหมีตามฆ่าตามเทียนอะไรอย่างนี้ทำต า, า, า, า, า, า, า, ามโอวาทของพระพุทธเจ้าจะจะเอาเรื่องที่เหลือปัญหาของตัวนมาเป็นศาสตราผู้ใดรักษาผู้ใดระวังผู้ใดสังวรผู้ใดัำตามคําสอนของพระพุทธเจ้าผู้นั้นจะมีวันมีเวลาจะเรีย ผลไปจากทัศใจอาศัยโลกแต่ในสุทธิโลกอยู่ในโลกแต่ในเช่นอย่างโลกเขาจิตใจของเราเบาจิตใจของเราสบายจิตใจของเราค่อนจิตใจของเราลุกจากสิกงต่อควรยกี่ยวข้องในเหมือนแต่ก่อนที่เราไม่เหลือเพื่อปฏิบัติเลยสะดวกเลยสบาย เราเหยียดเราเห็นเราเหเรารู้พระรัตน์ตาว่าพระพุทธธรรมพระิยสงฆอย่างสนิทใจเพราะท่านแนะนสอนอย่างไรเราตองปฏิบัติไปตามคำแนะนสอนของท่านจนท้องดีที่เกิดกระเสริฐนะครเราในอดีอาศัยครูบาอาจารย์ในใอาศัยตำลา ม, มีพระสาสด า, าอุบัติขึ้นในโลกเราก็เลยจะติจะดข้อว่าทุกขว่า้ออยู่ตลอดตัดตลอดกัดมันมีวันมีเวลาที่จะมีความสั่งตาเบาสบายทางจิทางใจได้มีการปฏิเสธปฏิบัติของพิสุสามเณรยิ่งเป็นสรรมฐานอย่แล้วถ้าหากมองข้ามสติมองข้มงามปัญญา ก็ทางการอดการทนการขาดการเปียงรอยตลดเปิดเป็นลอยลมไปตามอำนาจของคิเลสปัญหาก็ได้ชื่อว่าเป็นโมฆะสำหรับที่สุสามโนนคนทำคำสั่งสอนจะมีดีเด็ดประเยชน์ที่เกิดจากเท่าไรก็ไม่เป็นของมีคุณค่าราคาสำหรับคนที่ ต่ยจิตใจไปตามที่เหียดกันเสียดนั้นพวกเราท่านที่ได้พอมาอบรมศิกษาได้าอมาเป็นครั้งที่สิบสามมาเนยจงพาการขยันหมั่นเรียนอดทนมีสติมีปัญญาแม่สอนตนสม่นเสมอไปอย่าตัตว์้วาขับเดินไปเดินท่าบาทก็ให้ระวังสังวรรักษาจิตใจข่องตน กลับเข้ามาขบฉันก็ให้ทีนี้ที่จรียนนะอยู่ประมาณเสมอไปคิดใจที่ตรงคิดไปในทางผิดรีดตัดเตียนตัวของตัวด้วยปัญญาวัดทางนี้พระศาสดาตรงห้าเราไม่ใส่เอาเทวทัศน์บนศาสนาเอาความคิ้เจ้าเราอยู่เรากินเราขบเราฉันเรานุ่งเราผบได้มาโดยอาศัยธรรมะได้มาโดยอาศัยของ จากพระพุทธเจ้าทางนั้นเราจะไปเชื่อตามเรื่องประโยชน์ปัญหาของเราเราจะตายโดยต่อเมือ่อเราสอนเอมือ่อเราสอนเราอย่างนั้นไม่ให้จะคิดในสิน่สนนงที่ผุดคิดตางแปในเ่วงผิดถูกพระพุทธเจา้าทรงแนะนและขั่วบำเพ็ญดีเามีพูนขึ้นจิตใจของพวกเราท่านก็จะเป็นสุตใจที่ใสสะอ จะเป็นจิตใจที่เลอะลอยในเป็นจิตใจที่ตัณ้าลาโมในเป็นจิต ใ, ใจที่เดือดร้อนวุ่นวายเป็นจิตใจที่สงบเป็นจิตใจที่เยือกเยนเป็นจิตใจที่สว่างสวยัยเป็นจิตใจที่น่าจัดกาหน่าบูชาเพราะการปฏิบัติตามธรรมะของพระพุทธเจ้า เป็นของของปารเสด็จอย่างนั้นเคยมีหลายท่านหลายองค์ที่เป็นตักขีพยานได้ประเัติปฏิบัติแต่รับความสุขความสบายมาแล้วนับไม่ถวนเพราะประบัติปฏิบัติตามคำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราหากตั้งหน้าต่างๆประเัติปฏิบัติอย่างท่านที่ประบัติปฏิบัติมา เราจะมาเข้าถึงความสุขความเจริญความสงบเยือเย็นอย่างไรมี่เราเชื่อตามหรื่องของคุณเอดกปัญหาตามเรื่องฝายอวิชาอุปาปะตามเรื่องฝายปรับเราจึงมีจิตมืดดำมีจิตเดือดร้อนมีจิตขุ่นมัวมีจิตเศร้าหมองเลือดนั้น ทำคำตังสอนของพระพุทธเจ้ามาใส่สอนคนอื่นสอนเราผู้เป็นนักให้ตั้งหน้าต่างตาแตะทำบเพ็ญิใดที่มันขัดข้องในจิตในใจให้มันชำละแต่างอย่าไปคิดไปปรุงทางต่ามันสอนคนทั้งคนสมนเสมอมีสติมีปัญญามสอนตัวดูสมันเสมอไปคิดเจ้าจเข้าชั่วคอตัวดูดน คุกเจ้าคุกเกินเป็นอคคาธรรมพจะตายเป็นธรรมสิ่งหนาฉะนั้นขอทุกท่านจงพาตันหมั่นคิดพิจารณามีสติมีปัญญ า, ามีความอดทนอย่าไปเชื่องมงายตามเรื่องของทีิหลสตันหาหาทุกท่านมีตารชำระชั่วบำเพ็ญดีอย่างนั้นโปรดจะพดพาตันโปรดศ มีรัตนใจและบุญกุศลทั้งหลายจง